วัดเราเล็กนะพื้นที่วัดเราไม่มากเท่าไหร่เล็กศา <c oughs> ลาก็เล็กเวลามีงานนะต้องใช้พิธีแบบเล่นก้าีดนทตรีอย่างวันนี้นิมนต์้าอันทุกะัะนิมนต์ไม่อย่ามา <c oughs> <c oughs> ไม่ให้นิมนต์ให้มา ไม่มีที่ให้นั่งวันนี้อยไปคาดหวังว่าจะฟังธรรมะละเอียดประณีตอะไรนะคนมีหลายระดับคนใหม่ๆเป็นนักทําบุญ ท, ที่มาวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นนักทําบุญไม่ใช่นักปฏิบัติฟังธรรมะปฏิบัติล้วนๆคงเข็ด ที่นี้ไม่มีอะไรสอนเธเรื่องกรรมฐานเรื่องกรรมฐานก็เป็นเรื่องเรียนไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่นแม่มซึ่งถ้าเป็นปกติจะไม่มีอย่างนี้เว <c oughs> ลาแสดงธรรมภาคปฏิบัติเนี่ย คูบาอาจารย์จะส่งสมาธิในการแสดงธรรมถ้าใจของพวกเรานะ่ะมันราบเรียบสงบอย่างเงี้กระแสธรรมมันจะถ่ายทอดพอใจพวกเราวอกแวกวูบเดียวทนะี้กระแสธรร ม, มจะขาดทันทีเลยแล้วเวลาเริ่มต้นใหม่เนะี่ยถ้าเราสังเกตให้ดีเนะี่ยมันจะเปลี่ยนเรื่องไปแล้วขึ้นเรื่องใหม่ พอขึ้นหลายๆคนเนี่ยครูบาอาจารย์จะหมดแรงไปเลยโดยที่ยังไม่ต้องเทศอะไรเมื่อก่อนหลงพไม่เข้าใจตรงนี้นะทีนี้เข้าใจท่องแท้เลยเมื่อก่อนครั้งแรกที่เห็นปรากฏการแบบเนี้ย่เห็นที่วัดบูรพารามตอนนั้นหลวงปู่ดูลย์มรณภาพหลวงตามหาบัวท่านไป่งานแล้วก็เขานิมนต์ท่านขึ้นเทศ พอท่านนั่งธรรมะท่านก็เริ่มเทศพวกตากกลองทั้งหลายเนะี่ยพอท่านเริ่มเทศก็ลุกขึ้นมาถ่ายรูปเป็นไหญ่เลยท่านก็หยุดพอเขาถ่ายรูปพอใจนะ้แล้วก็ลงไปนั่งท่านก็เริ่มเทศใหม่เทศใหม่หมายถึงพลเรื่องเลยเขาก็ลุกขึ้นถ่ายใหม่เดีย๋ยวต้องถ่ายตอนท่านอาปากให้ได้ <c oughs> ไม่มีมารยากท่านก็หยุดอีกนะครั้งที่สามท่านก็เริ่มเทศอีกแล้วก็ลุกขึ้นไถ่ครงที่สามข่าวนี้หว ง, งแตกท่านบอกเนี่ยธรรมะดับไปสามกัน <c oughs> ธรรมะเนี่ยที่เทศเนี่ยดับไปสามกันแล้วนี่ท่านใช้แรงเหมือนกับเทศสามงานต่อกันแนะ่ะ <c oughs> มันจะโลภมากอะไรกันนักนา ทำไมไม่รู้จักว่าอะไรมีคุณค่าอะไรไม่มีคุณค่าอะไรเงี้ยโอยกัานดาแล้วท่านก็นเลยแพร่ขยายกัรดา่าลงไปนอกศาลาด้วยท่า น, นเทศอยู่ศาลาชั้นสองศพตั้งอยู่บนศาลาที่ชั้นสองที่วัดบุญหลวงตาก็ด่าลงมาข้างล่างไอ้พวกไมโครโฟนข้างล่างปิดให้หมด จะมาเรียอะไรอะไรกันตอนนี้โนครูปนั้นไม่เข้าใจทำไมท่านต้องด่าด้วยรู้สึกว่ามันเป็นมารยาทที่ไม่งามไม่ใช่ว่าท่านนะอคนที่ไปข่วนท่านนะมันไม่งามแต่ไม่รู้หรอกว่ามันมีผลกระทบกระทัดขันท่าน งั้นเวลาเราฟังธรรมะนะให้เราฟังด้วยความสงบตั้งอกตั้งใจฟังทำใจสบายทำใจสงบแล้วธรรมะมันจะประณีตธรรมะมันจะเข้ามาสู่ใจของเราทำไมครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานเนี่ยเทศไม่เหมือนฝ่ายปริยัตยฝ่ายปริยัตยไม่เป็นไรอย่างบรรยายอยนะแล้วนักศึกษา รพราบนักเรียนอะไรเงี้ยจะเดินเข้าเดินออกเลยไม่เป็นไรมีโผล่อยู่บรรยายตามโผลทีก็ฉายสไลด์ฉายอะไรต่ออะไรไม่มีสะดนเงินฝ่ายประยัดเขาเก่งกว่าฝ่ายปฏิบัติฝ่ายปฏิบัติถ้าจิตใจคนฟังกระชอบทีเดียวนะธรรมะดับเลยมันคือการเรียนธรรมะที่เรียกว่าถ่ายทอดจากจิต ไปสู่จิตถ้าจิตของผู้ฟังพร้อมที่จะรับธรรมะกระแสรธรรมะก็ถ่ายทอดวิธีฟังธรรมะอย่างนี้เป็นวิธีที่สำคัญสมัยก่อนหลวงพ่อไปเรียนจาบครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างถ้าเราเอาเทปไปหรือไปนั่งจดพระท่านเทศอะไรเนี่ยถูกด่าทันทีเลยใช้ให้นั่งสมาธิฟัง แราท่านก็เทศไปเรื่อยๆท่านไม่มาถามเรานะว่าอยากฟังเทศเรื่องอะไรไม่ต้องถามบางทีเราติดข้องอะไรอยู่เราสงสัยเราภานาไปไม่รอดแล้วถึงเวลาท่านขึ้นเทศนะกระแสะใจของเรากับท่านตรงกันท่านก็เฉลยให้เราแล้วไม่ต้องถามหรอกเสียเวลาเรานเวลาฟังธรรมภาคปฏิบัตินะ ทำใจให้สงบฟังไปด้วยใจที่สงบด้วยใจที่สบายไม่ถึงขนาดต้องเข้าฌานฟังนะถ้าเข้าฌานจะฟังไม่รู้เรื่องนะที่หูดับไปเลยไม่ได้ยินเสียงอใจทรงสมาธิพอสมควรเนี่ยระดับสมาธิอาจจะประณีตกว่าสมาธิในชีวิตประจำวันนิดหนึ่งสมาธิในชีวิตประจำวันมันเป็นคณิกาสมาธิ สมาธิเวลาที่เราฟังทำเนี่ยถ้าจะฟังให้ดีนะอยู่ในอุปจาระสมาธิฟังได้ดีให้ใจสง บ, บเนี่ยระดับนี้อย่าลึกกว่านี้ลึกกว่านี้โอูจะดับ <c oughs> แล้วฟังเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดมากไม่ต้องคิดตามมากฟังเฉยเฉยถ้าฟังไปคิดไปเนี่ย มันจะเข้าสมองมันจะไม่เข้าใจจะเข้าที่สมองมันไม่เข้าใจฟังธรรมะฟังด้วยใจที่ปลอดโปร่งด้วยใจที่สบายด้วยใจที่สงบใจที่ไม่มีกิเลสมาวอกแวกในขณะนั้นธรรมะจะมาสู่ใจเราครูบาอาจารย์เทศเรื่องอะไรต่อไม่ถูกหรอกถ้าถามว่าหลวงปู่เทศเรื่องอะไรไม่รู้ ให้มาปัรยายซ้ำเนี่ยไม่รู้แต่ว่าในขณะที่ฟังนะมันคล้ายๆใจเราเนะี่ยเปิดออกไปเรื่อยๆเปิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจุดไหนที่เราพอนามาถึงจุดตรงนั้นหรือเราติดขัดอยู่ตรงนั้นเนะี่ยจิตเราจะตื่นโปร่งขึ้นมาตอนนั้นชจะสว่างโปร่งขึ้นมาแล้วตอนนั้นนะ่ะเราจะรับกระแสธรรมะที่เหมาะพอดีพอดีกับเราได้ งั้นเวลาพวกเราจำนวนมากนะเป็นนักทําบุญเข้าวัดนั้นออกวัดนี้อะไรเนี้ยบางทีไม่เข้าใจว่าเข้าวัดกรรมฐานทําไมเรื่องมากต้องนิ่งนงิต้องเงียบเงียบไปเดินถ่ายรูปก็ไม่ดีเแอร์โวยวายอะไรก็ไม่ดีเพราว่าสมาธิเราจะเสียแล้วเราตัวเองก็ไม่ได้ไประโยชน์เราไปกวนคนอื่นด้วยครูบาอาจารย์เนี่ยถือสามารถเลยนะท่าน ควบคุมเราเข้มเรื่องไม่ให้เราไปกวนคนอื่นแค่เราเดินเสียงดังตนะึ้มตึมตึมเนี่ยโดนแล้วโดนถูกดูดแล้วเดินอะไรไม่มีสติเนี่ยใจของเราขนาดนี้เริ่มสงบแล้ไมทั้งที่แต่คิดว่าแฝกว่าแฝงจะถามว่าหลวงพ่อพูดอะไรไปบ้างนึกไม่ค่อยออกหรอก ไม่ต้องหน่กทำความสงบแปนะรู้สึกตัวไม่ให้ขาดสติแล้วความเข้าใจธรรมะนี่มันจะมาสู่ใจเราถ้าใจเราสมควรเรียนธรรมะนะนี่บางคนก็ยังงงว่าคนมาฟังธรรมะพร้อมๆกันเป็นร้อยเป็นพันเนี่ย แล้วครูบาอาจารย์จะแจกแจงธรรมะได้ทั่วถึงหรือสงสัยไหมเราะแต่ละคนเรียนธรรมะคนละระดับกันความรู้ความเข้าใจไม่เหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจนะ้าเป็นของที่อัศจรรย์มากนะถ้าเราฟังด้วยจิตที่สงบด้วยจิตที่ตั้งมั่นจริงๆเราจะมีความรู้สึกเหมือนครูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจนะ้าเนี่ย กำลังสอนเราอยู่โดยเฉพาะางันอย่างสมัยพุทธกาลพอพระพุทธเจ้าท่านเทศธรรมาให้ฟังเนี่ยทุกคนนะจะมีความรู้สึกเหมือนว่าวันนี้แหละท่านเจาะจงเทศโปรดเราความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ได้ได้ขนาดพระพุทธเจ้านะเทียบกันไม่ติดหรอกรองผู้รีพระบาทฉัทนก็ไม่ได้หรอกเป็นพระสาวกปลายแจว แต่ถ้าพวกเรามีคุณสมบัติพอนะเหมือนชาวพุทธสมัยพุทธกาลเวลาฟังหลวงพ่อเทศเราจะมีความรู้สึกเหมือนหลวงพ่อสอนเราอยู่ไม่เฉพาะตอนอยู่ต่อนหน้านะเราไปภาวนาอยู่ที่ไหนนะเกิดติดขัดขึ้นมาบางทีมีความรู้สึกเอ่อนะ่หลวงพ่อเสอนอย่างนี้ปุดขึ้นมานะความรู้ความเข้าใจปุดขึ้นมาบางครั้งฟังไปก่อนเนี่ย ยังไม่เข้าใจแไปภาวนาแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่จะเข้าใจมันจะปิ้งขึ้นมาเลยจะเข้าใจเลยว่าที่หลวงพ่อบอกใน ห, หมายถึงอะไรเพราะฉะน้นถ้าเราฟังด้วยใจที่เคารพอ่อนน้อมด้วยใจที่สงบด้วยใจที่ตั้งมั่นอยู่กับเนืกับตัวด้วยใจที่ปลอดโปร่งสบายบางทีเราเข้าใจธรรมะในขณะนี้เลยเรียกว่าเข้าใจธรรมะในขณะที่ฟังธรรม บางทีขณะที่ฟังธรรมเนี่ยจิตยังไม่เข้าใจไปปฏิบัติทีหลังไปเข้าใจธรรมะขึ้นมาเป็นการเข้าใจธรรมะในขณะปฏิบัติธรรมการเข้าใจธรรมะเนี่ยเข้าใจได้ในสามหลายแบบนะเข้าใจระหว่างแสดงธรรมก็มีอันนี้ครูบ า, า, า, าอาจารย์ท่านเคยเล่าหลวงพ่อพุธเนี่ยท่านเคยเล่าบอกว่าท่านขึ้นเทศ เทศเทศเทศไปนะจิตท่านก็พิจารณาธรรมะไปจิตถ่ายทอดธรรมะมาด้วยท่านก็สอนไปเลยถึงจุดหนึ่งเนี่ยจิตท่านเกิดความเข้าใจอริยสัจทองแท้ขึ้นมานะจิตรวมลงไปเลยกําลังเทศอยู่วนธรร ม, มามะนะจิตรวมรปุบลงไปนะแล้วอาสวะกิเลสก็ถูกทาลายออกไปจิตผู้รู้เนี่ยเป็นอิสระขึ้นมากลายเป็นธาตุรู้ ท่านบอกเวลาที่กระบวนการนนี้เกิดเนี่ยใช้เวลาสั้นนิดเดียวพอกระบวนการนี้หมดไปแล้วท่านรู้สึกขึ้นมาท่านรีบทบทวนดูว่าเมื่อกี้พูดถึงประโยคะไหนแล้วท่านก็พูดต่อเลยคนฟังเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นหลวงพ่ออยู่ด้วยคงจะรู้นะเพราะว่าท่านคงจะมีอะไร Black แปลกแปลกให้เราดู แต่คนส่วนใหญ่มีตาก็เหมือนตาไมา้มีหูก็เหมือนหูหมอหูกระทะไม่ได้รู้ได้เห็นอะไรครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลง พ, พ่อพุณณธรรมาตงั้นเวลาแสดงธรรม น, นบางคนมารู้ธรรมบางคนมารู้ธรรมในขณะที่ฟังธรรมในสมัยพุทธกาลมีเยอะใช่ไหม ภิกษุห้าร้อยรูปสองร้อยห้าสิบรูปสังเทศภิกษุชดินพันรูปสังเทศละ 1, รศบรรลุพระอรหันต์กันแต่ถ้าใจเขากำลังวอกแวกเนะี่ยไม่บรรู้เลยแล้วพวกที่อยู่ใกล้ๆก็ไม่บรรู้ไปด้วยคื่นของจิตมันกระทบซึ่งกันและกันเพราะนเราต้องสังวรรักษาใจของเราไว้นะเพิ่งพาดออกไปอราวาส กิเลสอะไรก็เก็บไว้ก่อนมีเรื่องอยากพูดหรือเก็บปากไว้ก่อนไม่ใช่เวลาถ้าขืนทําลายสมาธิของคนอื่นเข้าไปในขณะฟังธรรมนี่ยบาปหนักน่าสหาหัสเลยเขาอาจจะใกล้บรรลุธรรมในขณะฟังธรรมแล้วก็ได้เังนัเราต้องระวังที่หลวงพ่อห้ามไม่ให้ถ่ายรูปตอนเทศให้ปิดมือถือให้อะไรเนี่ยเพื่อไม่ให้กวนคนอื่นมันจะบาป อย่างเขากำลังเยปันรู้ทำแล้วเราโทรศัพท์พุ่งกิ้งพุ่งกิ้งอะไรขึ้นมานะใจเขากระชอบเขาเสียโอกาสเขาเสียโอกาสเนี่ยเขาต้องไปรวบรวมพลังนะอีกเป็นปีเลยกว่าจะกลับมาตรงนี้ส่วนเราเองเรารับกุศลแน่นอนนะถ้าเราพอนาถึงจุดจะแต่หักทีไลทจะมีอุปสรรคมากวางเร า, เาก็กรรมจะต้องมีวิบาก ง น, นบางท่านเนะ่ยบรรลุธรรมในขณะสแสดงธรรมบางท่านบารรลุธรรมในขณะฟังธรรมบางท่านบารรลุธรรมในขณะปฏิบัติธรรมไม่ได้สแสดงไม่ได้ฟังในปฏิบัติอยู่มีไม่บรรลุธรรมในขณะลืมตัวไม่มีเมื่อไหรรู้สึกตัวอยู่เมืเ่อ น, นั้นคือเวลาปฏิบัติธรรมนะดังนั้นเราขาดสติไม่ได้เลยต้องพยายามมีสติอยู่ทั้งวันมีสติอยู่ตลอดเวลา เพราเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จิตเราจะพร้อมสําหรับการบรรลุธรรมงั้นถ้าเราจิตใจเราว่าแปลกล้งวันวันเล่นเฟซเล่นไลน์สนุกสนานเฮฮาอารมณ์แปรขึ้นอารมณ์แปรลงตลอดวันเดี๋ยวก็ส่งไลน์สวัสดีวันจันทร์ส่งหาอะไรที่ไหนมันก็วันจันทร์ตั้งนั้นะสวัสดีวันอาทิตย์เงี้ยเสียเวลาตัวเอง ทำลายเวลาตัวเองไปทำลายเวลา ค, ออนะลาลาคนอื่นหนึ่งคนหนึ่งเขาจะอยู่สงบสงบนั่นเดี๋ยวก็ลายมาพีดมาอะไรต่ออะไรยุ่งนะหาบาปใส่ตัวไม่รู้ตัวงั้นเราต้องระมัดระวังนะเวลาเล็กเวลาน้อยเราอย่าประมาทเราเก็บให้หมดเลยมีเวลาตอนไหนปฏิบัติมันตอนนั้นคำว่าปฏิบัติไม่ใช่นั่งสมาธิไม่ใช่เดินจงกรม การนั่งสมาธิการเดินจงกรมเป็นเปลือกของการปฏิบัติหัวใจของการปฏิบัติเนื้อแท้งการปฏิบัติคือความมีสติรู้สึกตัวไปด้วยรู้เนื้อรู้ตัวไปด้วยและไม่แห้ใจล่องลอยรู้จากใจลอยไหยคนไทยเก่งมากนะบัญญัติศัพท์แต่และคำออกมาเนี่ยมันสะท้อนเลยว่าบรรพบุเราที่บัญญัติศัพท์เนี่ยเห็นสภาวะ ใจลอยลอยจริงๆเห็นไหมใจดำๆำไหมดำจริงๆเห็นไหมใจดีดีไหมดีใจเสียใจกังวลใจคนไทยนะันมีัำที่เกี่ยวกับจิตใจเนะี่ยสองสามร้อยคำฝรั่งไม่มีหรอกนะความรู้สึกของเขาโกรธก็คือโกรธของเราเนี่นดีกรีของคามโกรธเนี่ยเยอะแยะเลย งั้นบรรพูรุษไทยเนี่ยนะเก่งในเรื่องดูจิตแน่นอนไม่งั้นบรญญาศัสตร์ออกมาไม่ได้หรอกเบื่อกระเซ็งเหมือนกันไหมไม่เหมือนมีดีกรีไหมมีดีกรีเครียดมู้จักเครียดไหมแคย่รู้จักไหม แต่ละคำแต่ละคำเนี่ยหลวงพเคยรวมไว้สองร้อยกว่าคำนะตอนอยู่ส่วนพลัวเพื่อจะบอกพวกเราว่าการดูจิตไม่ใช่เรื่องยากถามว่าเอ่ยชื่อศัพท์ทั้งหลายออกมาพวกเรารู้จักไหมรู้จักทุกตัวเลยไหมอิจฉารู้จักไหมอิจฉาใครอิจฉาไม่เป็นไม่เคยรู้จักว่าความอิจฉาเป็นยังไงยกมือมีไหมมีเปล่ามีเปล่า ผู้ชายก็อิจฉานะหลวงจะบอกความลับให้ผู้ชายที่อิจฉาไม่ได้แพ้ผู้หญิงหรอกเพียงแต่ผู้หญิงอิจฉาแล้วพูดนะผู้หญิงเสียเปลีบตรงนั้นเองผู้ชายนะที่อิจฉาเจอคนหลอกกว่าก็ไม่ชอบลนะไม่เชื่อถามโกบิกดูนะีนะ่อิจฉาหยนะอาฆาตรู้จักอาฆาตไหม ผูกโกรธคํานี้คนไทยยุคนี้ฉันงงๆแล้วผูกโกรธหมายถึงโกรธอยู่นะแต่ไม่เป็นทําอะไรเขาแล้วแต่เจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้ไม่ลืมอะไรเงี้ยนะแบบร้องเป็นเพลงได้เลยเนะี่ยมันผูกใจผูกใจเจ็บถูกเขาด่าครั้งเดียวนะผูกใจเจ็บมาสิบปียังไม่เลิกเลยรู้จักไหมผูกใจเจ็บนะมันจำไหมแขนไม่เลิกเลย เน่ความรู้สึกอย่างนี้นะมันเป็นความรู้สึกในใจไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราจะปฏิบัติทำเนี่ยขณะนี้มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นมีสติระลึกรู้ไปขณะนี้โกรธรู้ว่าโกรธขณะนี้เบื่อรู้ว่าเบื่อขณะนี้ตะกลัสรอยากกินข้าวรู้ว่าตะกลัสรู้จักใจลอยรู้ว่าใจลอยรู้จักใจลอยไหมมันลอยจริงๆนะอืรู้จักใจกว้างไหม แมะมีศัตว์แต่ละตัวนี้มันสะท้อนสภาวะธรรมสะท้อนสภาวะธรรมที่ละเอียดยิบเลยและสะภาวะเหล่านี้พวกเราคนไทยรู้จักทุกคนรู้จักอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าการดูจิตเป็นเรื่องยากเย็นการดูจิตเนี่ยเป็นการหมอที่สุดนะในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ย เราจะมาดูกายเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายนั่งอย่างนี้นะจะข้ามถนนก็เห็นร่างกายเดินแทนที่จะเห็นรถยนต์วิ่งไม่นานหรอกนะได้ปฏิบัติไม่นานหรอกนะ แ, แต่ถ้าเราดูจิต ด, ดูใจเรานะเราจะข้ามถนนเนี่ยใจเราชฉบไปที่รถทางซ้ายทางขวาทางซ้ายอะไรเงี้ยใจเราวิ่งไปวิ่งมาเราไอยรู้นะแต่ต้องดูให้เป็นอย่าไปเพ่งใจให้นิ่ง เพ่งใจให้นิ่งกับเพ่งกายให้นิ่งมันก็เหมือนกันหละรถทับได้เหมือนกันหันซ้ายหันขวาอะไรเนี่ยดูเนี่ยเคลื่อนไหวอย่าไปดูเพ่งอยู่ที่ร่างกายหรือจิตใจนะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเราทําอะไรเราก็รู้สึกตัวได้ยกเวน้นเวลาที่รู้สึกตัวไม่ได้มีสองเวลาเวลานอนหลับอนะ เวลาที่ทํางานที่ต้องใช้ความคิดอย่างเราเขียนซอฟ์แวร์อะไรอย่างเงี้ยเียมาดจร อ, อที่จะปฏิบัติดูจิตดูกายเลยทําไม่ได้หรอกถ้าคืนไปดูกายไปดูจิตเขียนซอฟ์แวร์อะไรไม่ได้เวลานั้นสติสมาธิปัญญาไปจดจ่ออยู่กับงานออกไปข้างนอกนะไม่ใช่เวลาปฏิบัติใ่เวลาที่เหลือทั้งหมดคือเวลาปฏิบัติมันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะผมว่า ที่เราทํางานวัละแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเนี่ยทําไม่จริงคนคนหนึ่งทํางานสามสี่ชั่วโมงเท่านั้นที่ว่าทํางานหนักมากคิดมากทั้งวันเวลาที่เหลือที่ยังตื่นอยู่เอาไว้ใจลอยดงั้นถ้าเราช่วงชิงเวลาที่เคยใจลอยนะมาเป็นเวลารู้สึกตัวเนี่ยเราภาวนาได้เยิะมากเลยมันๆเนาเพิอพ่อภาวนาแบบนี้ตั้งแต่เป็นโยมตื่นนอนมารู้สึกเลย ร่างกายเราเป็นยังไงนอนอยู่ท่าไหนจิตใจเราเป็นยังไงแเราพบว่าแต่ละวันจิตใจเราไม่เหมือนกันจิตใจวันจันทร์เนี่ยนะมีเสงงเสงีขี้เกียจนะไม่ใช่เ็งนะ่ยค่อนข้างออกไปทางขี้เกียจวันจันทร์นะไปทํางานวันแรกวันอันคานเนี่ยจะไม่มีความสุขรู้สึกไม่มาอังคารไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ วันพุธนี่เป็นวันที่เบื่อนะพวกราชการเขาจะศึกษามาแล้ววันพุธเนี่ยคนมันเริ่มเบื่อการทํางานแะ้วงั้นวันพุธตอนบ่ายจะมีรางวัลบอกให้ไปเล่นกีฬาหน่วยงานบางอันนะตอนบ่ายของวันพุธให้ไปเล่นกีฬาไอ้คนทํางานเนี่ยจะสดชื่นตั้งแต่เช้าวันพุธละเพอเดี๋ยวบ่ายจะได้ไปเล่นกีฬาความจริงไม่ต้องเล่นหรอกเดี๋ยวบ่ายจะได้หนีงานนะแี่ไม่มีแบบนี้นะ วันพฤหัสถ้าเราทํางานห้าวันนะวันพฤหัสเริ่มมีความสุขแล้ววันศุกร์เนี่ยไม่ใช่มีความสุขวันศุกร์เนี่ยจิตใจเริ่มกระดีกระดามันคนละระดับกันนะมีความสุขกับกระดิกระดาหลั่นล้าเลยนะจะหาอะไรที่เพลิดเพลินเล่นแล้วเย็นนี้คิดงวงหน้าไปเย็นนี้แล้ววันเสาร์ก็ยังมีความสุขวันอาทิตย์บ่ายๆเซ็งนะรู้สึกไหมเซ็ง อาทิตย์ตอนบ่ายเริ่มเส็งแล้เนี่ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องทํางานอีกแล้วทําไมเสาร์อาทิตย์นี่สั้นนักนะวันทํางานแต่และ ว, วันนี่ยาวนักนะเนี่ยความรู้สึกอย่างเนี้ยมันเกิดขึ้นกับใจเราไม่ต้องมานยาใจเราเป็นยังไงรู้สึกยั ง, งมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เห็นความจริงนะของความรู้สึกทุกชนิดความรู้สึกทุกชนิดไม่เที่ยง ความสุขก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่เที่ยงนะความดีใจเสียใจความเบือ่อความเซนความอาฆาตพยาบาทอะไรไม่เที่ยงนะตอนอยู่ส้นโพหลวงพ่อเคยถามนะว่าใครเคยมีความทุกข์นานๆบ้างมีเด็กผู้หญิงคนหนหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วเลนะยยกมือเลยผมทุกข์นานแต่ว่าไปทไํม า, มาอะไรมาบอกอกหักทุกเป็นปีเลยจริงไหมอกหักทุกเป็นปนะีพวกที่เคยอกหักจะตอบได้ พวกที่ไม่เคยอกหักนังสารนะชีวิตนี้ไม่มีรสชาตินะขาดประสบการณ์นะถ้าเลยบอกหกหักดีกว่ารักไม่เป็นนะในชีวิตมีประสบการณ์เด็กนั่นบอกว่าเคยทุกข์มากเป็นปีเลยปีกว่าหาลวงพ่อถามว่าแล้วเวลาไปเที่ยวตามห้างอะไรเงี้ยนะตามศูนย์การค้าอนะไรเนี้ย เคยปวดท้องบ้างไหมก็เคยห้างเด็กคนนี้ที่ทำไมหลวงพ่อถามประโยคนี้เพราะหน้าตามันนี่นะชอบช้อปปิง้งนะโงเ่เฮงเธอเนี่ยไม่มีอะไรทาเธอต้องช้อปปิง้งีหน้าเรลแฟนทิ้งหางเงินให้ใช้ไม่ทันคืนครบเคยไอคนนี้ต่อไปต้องล้มละลายแนะ่ชอบช้อปปิง้ง ผมภาคถามเมื่อเวลาไปเที่ยวศูนย์การค้าที่น้นที่นี่อะไรอย่างนี้ที่เราไม่คุ้นอ่ะแล้วเคยปวดท้องไหมเคยอยากเข้าห้องน้ํำหาห้องน้ํานี่ยถามว่าช่งที่หาห้องน้ําเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนเธออยู่ไหนอะไรนี้นะฉันจะแย่แล้วอะไรขนาดนั้นอกหักไหมออกไม่หรอกเจ้ตัวรู้แล้วขนาดนั้นไม่ได้อกหักพอเข้าห้องน้ําเสร็จภารกิจมันสําคัญแล้วนี่นะ ออกจากห้องน้ำมาเริ่มคิดใหม่ <c oughs> คิดถึงไอ้แฟนที่มันทิ้งเอาไปเมืออทิ้งกูนะเดี๋ยวรักเดี๋ยวแค้นเดี๋ยวห่วงเดี๋ยวห่วงนะเดี๋ยวเสียดายอนะไรเนี่ยความรู้สึกเนี่ยหมุนอย่างนี้เลยนะนานาชนิดเลยใครเคยอกหักมีไหมยกมือซิพี่ไวไม่ต้องรู้อยู่แล้วว่าอกหัก <c oughs> ถามที่ไรพี่ไวจะยกก่อนทุกทีอจุกเขามีเหมือนกันเนะ ถามอย่างนี้เหมือนดูถูกรูร้สึกไหมตอน อ, อกหักนะเดี๋ยวเพรารักเดี๋ยวเพราแค้นเดี๋ยวเพราห่วงใช่ไหมเดี๋ยวอยากให้วันคืนกลับมาเดี๋ยวอยากให้มันตายจากอะย่างไนี้นะความรู้สึกนะัก้นกระชอกไปกระชอกมาทั้งวันภาวานาเป็นไม่ต้องดัดจริตว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเขถิด น, นะจงเป็นสุขเป็นสุขเือนไม่ต้องดัดจริตันาดนั้นนะนะ ให้คอยรู้บปใจมันแค้นก็รู้นะใจมันรักก็รู้ใจมันห่วงก็รู้ใจมันอยากอะไรขึ้มนมาก็รู้ <c oughs> นั่นแหละเราได้ภาวนาแนะ้การปฏิบัติภาวนาการปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิและกันเดินจงกรมใันนะั้นเป็นแค่รูปแบบเป็นแค่เปลือกนะแค่เปลือกของการปฏิบัติหลวงพ่อเปเจอดรอูดอยู่ที่สำนักอันห น, น, นึ่งเดินจงกรมเยู่ เราเห็นแล้วเราสงสารใจิตใจสงสารนะรู้สึกสลดใจไปบอกวูดปีปีไกลจิตเป็นยังไงปีนี้ก็จิตอย่างนั้นอ่ะปีนี้จิตยังไงปีหน้าก็จิตอย่างนั้นแหละเขาไปเดินจงกรมนั้นไปบังคับตัวเองจะไม่ให้คิดไม่ให้นึกไม่ให้กลุ้มให้ไม่แตกจะรู้สึกตัวอยู่เฉยๆยพยายามฝึกอย่างนั้นฝึกผิด พระพุเเทธ้าไม่เคยสอนมันเป็นเนรัีนอกศาสนาพูดหรอกคำสอนอย่างนั้นทําจิตให้ว่างๆพระพุเเทธเจ้าไม่เคยสอนสุญญาตานุปัสนาสติปัฏฐานมีไหมสุญญาตานุปัสนาสติปัฏฐานไม่มีมีแต่กายานุปัสนาสติปัฏฐานมีสตินะตามะระลึกรู้ไก่หนึ่งเหนือง มีสติตามะระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกเนืองเนือมีสติตามรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเนืองเนืองมีสติรู้ทันอ้าเขาทํางานเนืองเนืององี้ยไม่มีทําใจให้ว่างเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ดัดแปลงจิตะจิตใจเราโลภให้มีสติรู้ทันจิตใจเราโกรธให้มีสติรู้ทันจิตใจเราหลง ให้มีสติรู้ทันจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่ก็มีสติรู้ทันไปเรื่อยรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะได้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นความสุขเกิดแล้วก็ดับอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับความดีความชั่วอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเหมือนเหมือนกันทั้งหมดรูปที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับตัวที่หายใจออกเนี่ยหายใจออกชั่วคราวเดี๋ยวก็หายใจเข้าแล้ว รูปที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนะรูปที่ยืนรูปที่เดินรูปที่นั่งรูปที่นอนรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่หยุดนิง่งอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับนี่ใครรู้สึกแตไอย่างนี้ไดนะ้ต่อไปมันจะรู้อีกมันเกิดเองมันดับเองไม่ใช่เราสั่งนะตัวรูปเนี่ยเราสั่งได้สั่งให้ยืนเดินนั่งนอนรูปเคลื่อนไหวได้เพราะจิตสั่งแต่เรื่องนามธรรมาเนี่ยเราสั่งไม่ได้มันเป็นเอง นี่ยเราตั้งใจจะไม่โกรธบางทีก็โกรธตั้งใจจะไม่รักบางทีก็รักนี่ยเราเรียนรู้ความจริงลงไปได้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้คืออนัตตานะร่างกายเนี้เราดูอนัตตาในแง่ที่ว่ามันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะเรายืมธาตุมาใช้นะธาตุของโลกเบื้องต้นยืมธาตุของพ่อของแม่มาคนละครึ่งเซลล์แล้วก็มาได้อาหารได้น้ําได้อากาศของโลกเนะพือ่อมเลี้ยงอตัวใหญ่ขึ้นมา ถึงวันหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกไปร่างกายนี้แตดสลายเป็นธาตุดินน้ำไฟลมคืนโลกไปอย่างเดิมเราอยู่ไม่ใช่พวกเราไม่ใช่ตัวเราแล้วเราสั่งเล็กๆกน้อยน้อยเนี่ยได้สั่งให้ยืนเดินนั่งนอนได้นะแต่บางอย่างก็สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้แก่สั่งไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บไม่ได้สั่งไม่ให้ตายสั่งไม่ได้เพราะร่างกายเองไม่ได้อยู่ในอำนาจเราตลอดเวลา ถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเรื่อง อ, อ, อ, อ, อ, อิริยาบถเรื่องอะไรเนี่ยพอสั่งได้แต่เวลาเจ็บหนักๆขั้งจริงเ น, นก็สั่งไม่ได้อย่างคนเป็นอัมาพาตนะะสั่งบอกให้ลุกขึ้นมาเดินสั่งไม่ได้นะงั้นร่างกายก็ไม่ใช่ของที่เราสั่งได้ตลอดเวลาส่วนจิตใจเนสั่งไม่ได้เลยแปลงไปแปลงมาตลอดเวลา <S <S เรียกเฝ้ารู้อย่างนี้นะเรียกว่าการปฏิบัติมีชีวิตอยู่ตรงไหนปฏิบัติอยู่ตรงนั้น ฝึก อ, อย่างนี้เรื่อยๆเราอาจจะบรรลุธรรมในขณะนนปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่บางคนบรรลุธรรมบนรถถั่วก็มีนะเออป็นนั่งเล่นอยู่ตามกุฏิพระนั่งภาวนาบรรลุก็มีนะ อ, อ, อย่างนี้หรือบางคนนะยู่ตะกร้าซึ่งได้ไปจะไปเอาไปส่งให้พ่อ นี่รู้สึกว่าเวลายังเหลือเลยแวะเข้าไปฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ได้ธรรมะก็มีแเราไม่รู้นะว่เราจะมรรู้ทำตอนไหนส่วนใหญ่พวกเราไม่ได้ไปแสดงธรรมงั้นโอกาสบรรู้ตอนแสดงธรรมเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเพราะไม่ได้แสดงบรรลุตอนฟังธรรมพวกเราฟังธรรมไหมเราฟังอยู่เรื่อยใช่ัหม งั้สงบจิตสงบใจภานาไปเรื่อยนะรู้สึกตัวไปใจมีกิเลสอะไขึ้นมาคอยรู้ไปในี่แหละเรีอกปฏิบัติอยู่นะอาจจะบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมก็ได้มีนะไม่ใช่ไม่มีมรรู้ตอนแสดงมรรลุตอนฟังมรงมรลุตอนปฏิบัติอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่นี้นี่ก็มีนะส่วนบรลุตอนทําในรูปแบบเนี่ยนะบางคนก็เป็นบางท่านไม่เป็น พระนนคืนสุดท้ายเดินจงกรมนั่งสมาธิพระนน่์ในคัมภีร์บอกว่าพระนนท์ยังราตรีสุดท้ายที่จะบรรลุพระอรหันต์ให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากกายคตาสติตัวนี้ไม่ใช่กายคตาสติในหมวดของสมงถกรรมฐานนะไม่ใช่แยกกลุ่มคนเล็กฝ น, นังกายคตาสติตรงที่อธิบายถึงพระนนท์อานสกถาบอกไวช้ชัดเจนเลย ก็คือกายานุปัสสนสติปัฏฐานดัง้าพระนุลณ์เนี่ยจเจริญกายานุปัสสนสติปัฏฐานซึ่งก็เหมาะท้าอายุมากแล้วนะไปเจริญตัวอื่นบางทีใจมันจะล่องลอยไปกำลังไม่พอท่านรู้สึกกายรู้สึกกายไปเรืนะ่อยแล้วก็ไม่บรรลุเพราะเวลาที่รู้สึกอยู่เนี่ยลุ้นเมื่อไหร่จะบรรลุเลยไม่บรรลุสิทีสดท้ายท่านโปรงตกไม่บรรลุแล้วละ่ะ ต้องนอนหน่อยแล้วนะเดี๋ยวพรุ่นี้จะไปสังคายนาไม่ได้นอนทั้งคืนเดี๋ยวเบลอไปท่องพระสูตรให้พรอรหันต้าร้อยองค์ฟังแล้วท่องผิดอะไรเงี้ยต้องพักอพระานอนเนี่ยเอ็นตัวลงเท้าไม่ทันพ้นจากพื้นสีสษะไม่ทันถึงหมอนท่านต้องนอนบนเตียงถ้านอนที่พื้นเนี่ยท้าพ้นพื้นหัวแตกเลยนะี่ท่านต้องนอนบนเตียงท้าไม่ทันจยพ้นพื้นสีรษะไม่ทันจะถึงหมอน ถ้าบราารลุพระอรหันต์เขาต้องนั้นหมดความจงใจนะหมดความจงใจในขนาดที่เจริญสติสมาธิปัญญามาเต็มที่แล้วของเราตอนนี้ยังหมดความจงใจไม่ได้นะต้องจงใจไว้ก่อนเนี่ยก็หมดความจงใจแล้วหมดความอยาเกเย็นตัวลงนอนนะโอไม่ได้กินหรอกเอาไปกินข้าวนะเนี่ยน่าชมนะวันเนี้ยเป็นวันที่หลวงพ่อปราบพยศ พวกทัววัดนะพวกทัววัดไม่เคยลิ้มรสความรู้สึกที่สงบสันติแบบนี้มาก่อนหรอกเนะพราะว่าจะเฮาหาปาร์ตี้นะั้นลงจากรถทัวได้จะวิ่งเข้าซ่วมก่อนสิ่งแรกนะเข้าซ่วมได้แล้วถัดจากนั้นเขาจะแย่งกันทำกิจกรรมแล้วก็จะรีบวิ่งขึ้นรถทัวร์ไปนะถ่ายรูปนิดๆหน่อยๆอันี้นไปวัดอื่นต่อวันนี้จะทอดทิฐิให้ได้เก้าวัดอย่างนี้นะ mm hmm. อ้าไป เชิญกรรมการ